หลักธรรมก็ดีหลักพระวินัยก็ดีถ้าเป็นสายทางก็ธรรมะคือสายทางก้าวเดินของจิตพระวินัยคือรู้วกั้นสองฝากทางให้จิตปีกออกนอกรูกนอกทางซึ่ง เป็นโทษและเป็นความผิดล้วนวนไม่มีส่วนดีแทรกอยู่ในการฝ่าฝืนพระวินัยนั่นเลยเพราะฉะนั้นพระวินัยจึงเป็นรัวกั้นที่หนานแน่นที่สุดเพื่อให้จิตความประพฤติกายวาจา ตลอดถึงจิตใจแทรกไปด้วยที่จะออกนอกรั้วคือพระวินัยนี่เป็นพื้นตลอดสองภาคทางแห่งการดำเนินในสายธรรมด้วยจิตใจของเรานั่นเป็นส่วนยากเพราะเป็นรั้วกัน ลเอียดที่เป็นขวากเป็นหนามเป็นนุ่มดอนดอนเป็นหินโซกโคกเป็นหลุมเป็นหมอนั้นอยู่ในสายทางเดินของที่เรียกว่าธรรมการชี้แนะบอกทุ่แง่ทุ่งมุมของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวด้วยธรรมมีจิตตะภาวนาเป็นภาวนาเป็นสำคัญ ท่านจึงชี้แงโดยละเอียดทีท้วนที่สุดนับแต่ขั้นหยาบยาบคือการที่จะทำจิตให้เป็นความสงบร่มเย็นอันนี้ขั้นหยาบคาว่าหยาบคือความหยาบของยิเลสที่กีดที่ขวางทางก้าวเดินของจิตใจเพื่อสู่ธรรมอันเป็นความราบรื่นเรืองามไปโดยลำดับ กิเลสประเภทนี้กีดขวางมากคือความฟุ้งซ่านลำคาญความคิดปรุงแต่งแต่งปุ ง, ป ง, แงแต่งต่างๆอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลคอยที่จะออกนอกทางนี้ไปบางความคิดก็ถึงกับไปโดนพระวินัยน่ะรั้วอยู่นอกๆ น, นั่นอีกก็ย่างไม่มีเป็นทาง เป็นส่วนใหญของค่าสิบคือขวากน้ําอันเป็นเรื่องของกิเลสที่อยู่ตามสายทางเดินเพราะทางเดินนี้ถ้าเราไปด้วยความระมัดระวังตามหลักศาสนธรรมที่พระ อ, องค์ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้จะเป็นไปเพื่อความหยุดพ้นโดยแายเดียวสําหรับนักบวชของเราไม่เป็นอย่างอื่ พทางนี้เป็นทางหลุดพ้นโดยตรงส่วนผู้ดำเนินนั่นก็ขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติอำนาจวัดาสนาปัญญาพิสมพานมีมากน้อยต่างกันแต่ถึงอย่างไรก็ไม่มีคำว่าขาดทุนศูนย์ดอกจะต้องกล้าเดินไปตามคือเดินตามหลังกันไปนั่นแหละในสายทางแห่งธรรมที่กรัดไว้ชอบแล้วนั้น การก้าวเดินตามสายทางแห่งธรรมจรึงต้องโดยใช้ความระมัดระวังมีสติเป็นพื้นฐานแหน่งการก้าวเดินคือการประพฤติปฏิบัติไม่เลือกการจะาฐานที่เวลาเวลาอิริยบทต้องมีสติรับทราบความเคลื่อนไหวของใจ อยู่โดยสม่ำเสมอซึ่งส่วนมากต่อมากมีแต่ความเคลื่อนไหวเพื่อความผิดพลาดของปิดที่จะให้ออกนอกลูก่นอกทางแห่งธรรมนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจิงต้องได้บังคับปัญชานานแน่นด้วยสติเป็นพื้นฐานปัญญาเป็นเครื่องไก่ครองพินิจพิจรารณาแทรกกันไปนั้นมีหนัก บ, บ้างเบาบ้างสาหรับปัญญาในขั้นเริ่มแรก ส่วนสตินั้นหนักต้องเอากันพิจารณากันอย่างหนักตั้งอกตั้งใจตั้งท่าต่อสู้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยราวกับนักมวยพี่ต่อยกันบนเวทีจะเผลอไม่ได้มีระวางอิเลสกับธรรมก็เช่นเดียวกัน แสดงไว้ตั้งแต่ทมพื้นๆคือสมาธิธรรมจนถึงิมุตติธรรมนี่คือสายทางเดินของกิตให้เดินตามนี้สติเป็นสิ่งสำคัญอยู่ที่ไหนอย่าได้ลดไดละทุกยากลำบากในการตั้งสติสตังย่าถือเป็นอุปสรรคเพราะนั่นเป็นเครื่องขีดขวาง ไม่ไม่ทำลายเครื่องขีดขวางนั้นก็ก้าวเดินไปไม่ได้การทำลายเครื่องขีดขวางนั้นก็คือได้จากการ ฝ, าฝ่าฟืนความลําบากลําบนที่เป็นเรื่องของกิเลศปักขวากปักน้ําหรือกีดกันเอาไว้ไม่ให้ก้าวเดินด้วยความส ะ, สะดวกสบายนั่นแหละให้พื้นทราบไว้อย่างนั้นถือความมุ่งมั่นถือความหวัง เพื่ออาจเพื่อทำอันเป็นจุดสำคัญของใจเรายี่บย่งไปตามสายทางที่กิเลสปักกวากปักน้นามเอาไว้นั้นโดยไม่มีความสะทกสะทานต่อความลำบากลำบนความท้อแท้อ่อแอความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าความทุกข์ใดๆก็าตามมีแต่การก้าวเดินด้วยความมีสติอยู่โดยสม่ำเสมอ เรียกว่าอปันนกะปฏิปทาคือการปฏิบัติไม่ผิดทางจะเป็นไปเพื่อความบุญพ้นจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติเองแต่ทางนั้นคือทางถูกต้องแล้วที่เรียกว่าอปันนกะปฏิปทาการนอนก็มีเวลื่อนเวลาที่จะนอน ขึ้นมัจจิมายามท่านให้พักนอนนอนก็มีเป็นแบบฉบับของผู้มีสติของผู้ประกอบความเพียรเป็นอริยาอาการของนักรบนอนด้วยความตั้งสติสตังเมื่อรู้สึกตัวแล้วจะรีบตื่นนอนซ้ำๆอันเป็นเรื่องนอนใจซึ่งเป็น เรื่องราวของกิเลสทั้งนั้นพอการนอนนั่นท่านกำหนดไว้สี่ชั่วโมงในมัดจิมยามพอรู้สึกตัวแล้วก็รีบตื่นคือทำความเข้าใจลึกไว้กับเจ้าของทำความหมายเอาไว้ว่าพอรู้สึกตัวแล้วจะรีบตื่น เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็มีการเดินจงกรมบ้างมีนั่งสมาธิบ้างต่างแตกปัจฉิมยามไปจนกระทั่งถึงสว่างในปัมยามก็ประกอบความภาคเพลยนด้วยการเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิภาวนาบ้างจนกระทั่งถึงเวลาที่ควรจะพักนอนนอนท่านก็บอกว่านอนสีหาเสยา่าตนแหละ เป็นท่าของผู้มีสตินอนด้วยความตั้งใจนอนไม่เด็นนอนด้วยความประมาทนี่เป็นนับปัญากัปฏิปทามีพระสูตรในพระสูตรมีนี่ยกมาเพียมย่อๆในข้อการประกอบความเพียนมีอยู่ถ้าจำไม่ผิดก็มีอยู่มีอยู่สี่ประการ แต่นี้เป็นประการสำคัญของการประกอบความภาคเพียร น, นี่แลคขั้งพุทธการท่านผู้ดำเนินเพราความอดทนจริงๆท่านถือความภาคเพียรเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตใจฝากเป็นฝากตายกับความภาคความเพียรจริงๆท่านไม่เห็นว่าสิ่งใดในโลกนี้จะเป็นที่เลือเล่อเรือเนื้ออัดเนื้อทมเนื้อความพ้นทุกไปโดยลาดับ จนกระทังถึงพ้นทุกโดยสิ้นเชิงไปได้ท่านจึงมีความวจิดต่อต่อเนื่องกันด้วยความภาคเพียรตามจุดที่ท่านมุ่งมั่นไอแล้วไว้แล้วว่าคือความพ้นทุกโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนั่นโะดยเหตุนี้พระครั้งพุทธการท่านจึงปฏิบัติ ด, ดังที่กล่าวมานี้ มีสถานที่ที่เหมาะสมคือในป่าในเขาลำเนาไพรป่าช้าป่าชัดในธรรมเนื้อผาอันเป็นสถานที่ไม่มีใครปรารถนาโลกเขาไม่ปรารถนาที่เช่นนั้นแต่ธรรมนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งในการที่จะสั่งสมขึ้นมาในภาณาจิตใจของผู้รักใคร่ใฝ่ธรรม ด้วยความสะดวกสบายเพราะไม่มีสิ่งใดรบกวนไม่มีสิ่งใดเป็นภัยที่อยู่ในป่านั้นว่าจะให้เกิดความรักักให้เกิดความชังเพราะความรักกับความชังนี้มีอนุภาพนุนแรงมากภายในจิตใจของปุถุชนเราความรักนี้ส่วนมากจะไม่รักสิ่งใดจะรักสิ่งที่จะทำให้คอขาดบาดตายจาก มักผทนิพันนั่นแหละความชังก็เหมือนกันท่านกล่าวไว้ในตำลาก็มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีในป่าในเขาที่ว่าความรักความชังแล้วก็สิ่งที่จะตามมาก็คือความโกรธความผูกความเกลียดความขยดความแค้น ขึ้นไปจากความรักความชังความหึงความหวงตามตามขึ้นมาในสถานที่ที่โลกเห็นว่าจเจริญแต่ในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานอุวาทไว้ให้พระสงฆ์ไปอยู่นั้นไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้าไปก่อกวนทำลาย การบำเป็นสมะธรรมที่เกี่ยวกับความรักความจังความหึงความหวงความหโหงควา ม, วามโมโหโทโสที่จะทำลายตนอย่างพินาศทิพยหายไปนั้นจริงไม่มีในป่าในสถานที่เช่นนั้นมีแต่ธรรมจะเจริญงอกงามโดยถ่ายเดียวคือละเดินจงกรมก็สะดวกในสถานที่เช่นนั้นนั่งสมาธิภาวนาก็สะดวก ปียาบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนด้วยการประกอบความาพเปลี่ยนเป็นความสะดวกตามๆกันไปหมดมในหลักธรรมที่ท่านว่าเป็นไัยตามที่กล่าวมานี้ถ้าอยู่ในป่านั้นไม่มีภัยหมายถึงอันนี้เป็นภัยสําคัญมากในเรื่องของสัตว์ร้ายเรื่องของสัตว์ของเสือของอันตรายต่างๆท่านไม่ได้กล่าวถึงเลยจะ แสดงว่าสิ่งอนั้นไม่เป็นภัยต่อจิตใจของผู้บำเพ็ญ น, นั้นก็ไม่มีอะไรจะผิดเพราะไม่เป็นภัยจริงๆมีหนามซ้ำความกลัวในสถานที่เราไปอยู่กลัวสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นก็ยิ่งเป็นการเพิ่มความระมัดระวังด้วยความมีสติ และเพิ่มความตั้งใจก็ด้วยความมีสติอีกเช่นเดียวกันย้ำลงไปในจุดนั้นจึงกลายเป็นขุนขึ้นมาด้วยความกลัวสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นภัยเหมือนความรักความชังดังที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้น ท, ท่านจึงไม่ทงแสดงไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยอย่าไปอยู่ในป่าจิตนั้นจิตนั้นท่านไม่ได้ว่ามีป่าที่หนานแน่นไป ด้วยภัยเท่าไหรแล้วยิ่งให้ไปอยู่ก็เพื่อจะได้เห็นจิตในธรรมบทที่ว่าอัตติอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนนั้นพึ่งอย่างไรนั่นแหละเด่นชัดขึ้นในเวลาที่จิตเกิดความสะดุ้งกลัวขึ้นมาเพราะการอยู่ในป่าและกลัวสัตว์ร้ายต่างๆ สติสตังก็ตั้งขึ้นมาความภาคเพียรก็ดีความชี่เกียดชี้ค้านหายหน้าไปหมดเพราะสิ่งเหล่านี้มีอมนาจมากที่จะให้เกิดความตั้งใจขึ้นมาแล้วเป็นธรรมถึงกับเกิดความกล้าหาญชันใจขึ้นมาในขณะหลังจากความกลัวนั้นแล้วเพราะการตั้งสติมรมัดระวังใจอยู่เสมอใจเมื่อมีสติเป็นเครื่องคุ้มครองรักษา ย่อมมีความแน่นหนามั่นคงสืบต่อกันไปเรื่อยๆยิ่งสติดีเท่าไหรยิ่งมีสิ่งที่เป็นภัยที่น่ากลัวทําให้คิดให้ระวังมากเท่าไรสติยิ่งดีหนานแน่นขึ้นโดยลําดับลําดาความหนาแน่นของสติไม่ใช่จะหนาแน่นเพียงสติเฉยๆแต่เป็นโอชารสอันสําคัญที่จะซึมซาบเข้าเป็นเหมือปนประนึ่งปุ๋ย คือโอชาลดอย่างธรรมที่จะเข้าหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความแน่นหนามากมั่นคงมากขึ้นมากขึ้นถึงกับขณะหลังนั้นเกิดความกล้าห า, าญฉันไฉขึ้นมาไม่ได้เป็นเหมือนอย่างขณะก่อนที่กลัวแล้วนำมาตรวางเอามากมายอย่างนั้นเลยนี่ที่กลามาเหล่านี้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะทราบได้ไม่ปฏิบัติเช mm. ่นก่อนไม่ได้เข้าสงคราม ในลักษณะนี้ก่อนแล้วจะพูดไม่ได้เพราะไม่รู้จะ อ, อะไรมาพูดแต่ขอให้ได้เข้าอย่างนี้เถอะยิงต้องขออภัยด้วยพวพูดพวกเป็นคติตัวอย่างแก่เพื่อนฝูง <c oughs> นิสัยของผมเองนั้นเป็นนิสัยที่อยากแต่ว่าคนอยากก็ได้ไปอยู่ในสถานที่ธรรมดาความเพียรไม่ค่อยดีไม่เห็นมีความเด่น ไม่มีความรู้สึกว่าภูมิใจในเจ้าของเท่าที่ควรเลยและไม่ภูมิใจผลที่จะเพึิงได้ก็ไม่ค่อยปากฏนะักนี่แหละมันทำให้จิตใจของเราดีดดิ้นหาเหตุหาผลหาสะดุดจุ ด, ดทมที่สำคัญซึ่งจะเกิดขึ้นพานในใจในเวลาใดเวลาหนึ่งหรือในสถานที่เช่นนั้นคือที่กลัวๆลวังต้องมักสาะแสวงในสถานที่กลัวๆเสมอทั้ ง, ท, งที่เราก็กลัว แต่ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากความกลัวนั้นเป็นผลประโยชน์อัศจรรย์มหาศาลเราจึงจำเป็นต้องได้สลับเป็นสลัตายเข้าเพื่อธรรมเพราะชีวิต จ, จิตใจนี้ไม่มีคุณค่าเท่ากับธรรมที่เรามุ่งหวังอยู่นั้นเลยนี่แหละเป็นเหตุที่จะให้ก้าวเข้าสู่สถานที่ดังกล่าวนี้ เมื่อกล้าก็ไปสู่สถานที่ดังกล่าวมันก็ต้องเป็นดังที่เราคิดไว้เพราะที่นั่นเป็นสถานที่อย่างนั้นจริงๆพอไปถึงสถานที่น่ากลัวกลางวันก็กลัวกลางคืนก็กลัวเวลาไหนก็กลัวยิ่งกลางกลางคืนด้วยแล้วจิตก็ยิ่งมีตั้งแต่ตั้งหน้าตั้งตาที่จะกลัวเอาในขณะเดียวกันสติมีติดแน่อยู่ตลอดเวลาที่จิตมีความรู้สึกก่กลัวหรือจิตผิดปกติ จากธรรมดาสแสดงตัวเป็นความกลัวขึ้นมามากน้อยสติจะจดจ่อต่อเนื่องกันเรื่อยๆยิ่งเป็นในเวลาที่น่ากลัวมากที่สุดก็คือเวลากลางคืนหนึ่งเวลาดึกสงั่งหน่งเพราะเราเดินจงกรมนี่จะเป็นการท่ํากลางคืนเวลาดึกดื่นอะไรก็ตามฟังแต่ว่าความเพียรเพื่อฆ่าที่เลส เราจะไปเลือการสถานที่เวลามีเวลาอยู่ไม่สมกับเราต้องการในสถานที่ดีๆ เ, เช่นนั้นจึงต้องได้เดินจงกรมทั้งๆ ท, ที่กลัวๆนั่นและได้เห็นเหตุเห็นผลกันพอความกลัวเริ่มขึ้นมากสติเริ่มจับคือจิตนี้ห้ามบังคับเด็ดขาดที่จะให้เคลื่อนจากจุดที่ตนต้องการเช่นเราบริกรรมก็ให้อยู่กับคําบริกรรมนี้เท่านั้น เป็นก็ตามตายก็ตามเสือก็ตามช้างก็ตามสัตว์อันตรายใดๆก็ตามไม่ไปชิดไม่ไประยุ่งให้รู้อยู่กับจุดเดียวคือคําบริกรรมนี้เท่านั้นนี่หมายถึงขั้นเริ่มแรกของการภาวนาซึ่งต้องอาศัยคําบริกรรมกลัวมากเท่าไหร่จิตยิ่งติดแนบกับคาบริกรรมไม่ปราศจากเลยความหมายนั้นคือว่าหมายตายกับธรรมเท่านั้นธรรมคืออะไร คำบริกรรมนั้นแหละคือบวกแ่นธรรมชื่อแห่งธรรมธรรมแท้จะปรากฏที่จิตกำลังบริกรรมอยู่นั่นแหละคือสั่งสมพลังของธรรมให้เกิดปรากฏขึ้นที่ใจมากน้อยตามความภาพเปลี่ยนของตนเมื่อสติได้ติดแนบอยู่กับคำบริกรรมบางคาบจิตไม่แยบออกไปสู่อารมณ์ที่เป็นภัยซึ่งทําให้น่ากลัวน่าหวัาดเขียวนั้นให้อยู่เฉพาะคำบริกรรมนี้ติดต่อสืบเนื่องกันเป็นลําดับลาดา ก็เป็นการสั่งสมกับพลังคือกําลังของอัดของทำขึ้นภายในจิตใจหนุนใจให้มีความแน่นหนาหรือให้มีความอบอุ่นมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายก็จิตใจยอย่างนั้นก็แน่นหมกเหมือนกับหินทั้งก้อนหรือภูเขาทั้งลูกหนักสติก็ติดอยู่นั้นพในความที่เคยว่ากลัวว่ากลัวคิดเอาไปสิ่งที่หาสิ่งที่น่ากลัวก็ไม่กลัวซิก คิดไปถึงอันใดคําว่าน่ากลัวไม่กลัวทั้งนั้นเอาคิดหมดในแดนโลกธาตนี้กลัวอะไรจะมีสิ่งน่ากลัวแม้สิ่งหนึ่งมาปรากฏที่ใจนี่มีไหมไม่มีเลยนั่นฟังเลยนั่นเมื่อถึงขัน้นจิตเป็นอิอัตาหิตโนนาโถคือช่วยตัวเองช่วยอย่างนั้นพึ่งตัวเองพึ่งอย่างนั้นอยู่กับตัวเองด้วยความแน่นหนามัน่นคงก็อยู่แบบนั้นแบบที่ตนสังสมขึ้นมาแล้วนั้นผลก็ปรากฏเด่นชัด นี่แหะการประกอบความผักยนันอันจึงเห็นผลนี่ก็เป็นสิ่งที่เราลืมไม่ได้ในการภาวนาของเราซึ่งไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นน่นและไม่อยู่เพียงวันหนึ่งวันเดียวสถานที่แห่งหนึ่งแห่งเดียวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพราอจิตจะมีความคุ้นสถานในสถานที่ใดจะเป็นความชินชากิเลศจะขึ้นแล้วนะตัวหน้าด้าน ตัี้เกียจขี to to to to to ้ค้านประกอบความภาคเพลินการตั้งสติชตังจะค่อยเหลวไหลไปนี่ต้องเปลี่ยนนั่นแหละอุบายของการประกอบความภาคเพลินให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นี่อธิบายเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้บำเพ็ญให้ได้คิดหลายแง่หลายทางเพื่อทันกับปรมาจาของกิเลสที่คอยสอดแทรกอยู่เสมอภายในจิตใจเราจึงต้องคลิกหลายสันหลายขมพอ มีความรู้สึกว่าสถานนี้จะเป็นความเคยชินขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงทันทีเปลี่ยนขยับเข้าไปในสถานที่ที่จิตเข้าใจว่าจะเป็นสถานที่น่ากลัวมากยิ่งกว่านี้นึกว่าเป็นมาตายก็เรียกว่าถึงขั้นเป็นขั้นตายมากยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่านี้เอาชีวิตเป็นตัวประกันโดยแล้วไปอยู่สถานที่นั้นจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่ ความภาคเพี่ยนสติสตางตลอดปัญญาอุบายต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่การที่สติปัญญาเนี้ยมีความเปลี่ยนแปลงไปตามความภาคเปลี่ยนและตามสถานที่นั้นมากน้อยเพียงไรก็เป็นการสั่งสมกําลังของธรรมขึ้นภายในจิตใจของตนและในขณะเดียวกันก็ตัดกําลังวังชาของทิเลีซึ่งมันเคยเป็นตัวฆ่าสิบห้อมล้อมอยู่ตลอดเวลานั้นให้เบาบางลงไปเบาบางลงไปจนถึงกับว่า เหมือนกับผ้าขี้ริว้วทั้งๆ ท, ที่เรากลัวมากที่สุดความกลัวนั้นหายไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่เป็นธรรมดาเป็นเอกเทศประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเป็นภัยต่อเราเลยในโลกนี้เพราะตัวของเราเองก็ดีใจของเราเองก็ดีมันเป็นผ้าขี้ริว้วหาหลักขั้มหลัาไม่ได้แล้วจะใครสิ่งใดหรืออะไรจะมาทําอะไรให้เป็นอย่างไรมันก็เป็นไปไม่ได้ไม่ได้ไนอกเหนือจากผ้าขี้ริ้วนี้ไปเลยนั่น ต่อยลงถึงขนาดนั้นยิ่งสนุกประกอบความภาักเพียรความภาคความเลี่ยรนี้ดิ่งเด่นสติยิ่งดีปัญญายิ่งเขียบยิ่งแหลมนี่คืออันหนึ่งเป็นภาคทคิดอันหนึ่งกลับเด่นขึ้นเป็นทองตั้งแท่งขึ้นภายใ น, ในใ จ, ใจิตใจนี่คืออุบายของการประพฤติปฏิบัตินี่ที่พระทั้งหลายในขัง้งพุทธการท่านอยู่อย่างนี้เป็นส่วนมากเพราะเป็นแนวทางที่จะ ให้หลุดพ้นอย่างกระจ่างแจ้งและรวดเร็วกว่าสถานที่ธรรมดาซึ่งมักจะเป็นการสังสมเดียดมากกว่าสังสงมธรรมสังสมธรรมในตำลับตำลามีมากต่อมากนี่ได้ยกมาอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังตามฐานะที่เคยได้ศึกษามาตามกำลังของตนและได้เข้าสู่ในืรบ ค, คือภาคปฏิบัติด้วย โดยเปลี่ยนแปลงตนอย่างไรวิธีการประกอบความพักเปลี่ยนไม่พิเพงเปลี่ยนแปลงอย่างไรทั้งอุบายวิธีการต่างๆภายในใ จ, ใจิตใจทั้งสถานที่ที่ได้จิตมีความรู้สึกเกิดต่างไปจากสถานที่เดิมเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นใจก็มีความกล้าหาญชานชัยนี่ก็อยู่สบายคําว่าสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของใจนั้นไม่ต้องบอกแล้ว กลางวันก็ไม่กลัวกลางคืนก็ไม่กลัวเวลาไหนก็ไม่กลัวเมื่อจิตได้รวมตัวเข้าเป็นพลังทั้งแท่งเหลือแต่ความรู้ที่เด่นอยู่ภายในจิตใจอย่างเดียวนั้นละเหมือนประหนึ่งว่ามีอนานาจมากที่สุดมีพลังมากที่สุดครอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรแม้แต่อันตรายที่เคยกลัวๆนั้นก็ครอบไปหมดหาความกลัวไม่ได้เลยและยังคิดด้วยว่าสิ่งทั้งหลายจะไม่สามารถมาทําลายจิตใจ ทำลายตัวเองได้โดยซ้ำไปนั่นนี่เป็นความรู้สึกของจิส่วนที่จะทำลายได้ไหมทำลายได้นั้นเราไม่ต้องยกมายุ่งมาเหยียบวุ่นวายมันจะเป็นการทำลายการประกอบความภาคเพียรเพื่อสั่งสมธรรมของเราให้เสียไปการตายนี่เมื่ออยู่ที่ไหนมันก็ตายสเสือกินก็ตายไม่กินก็ตายอยู่ในบ้านไม่มีเสือมากินมันก็ตายได้นี่เมื่อสรุปให้สรุปลงไปอย่างนั้นเพื่อเป็นผลนประโยชน์ ในทางด้านธรรมะไมา่มให้กิเลสมัน ม, มาแบ่งสันปันส่วนออกไปได้เลยถ้าเราแยกราทำเป็นทางตายถ้าเผื่อว่าเสือมากินจริงๆเราสำคัญว่าเสือกินไม่ได้มันเกิดมากินจริงจะว่าไงนั่ น, นีสร้างปัญหาเป็นขวากเป็นหนามกั้นตัวเองจะว่ายังไงท่างแต่เสือไม่กินมันก็ตายนี่นั่ น, นแก้กันแล้วนี่อุบายวิธีการต่างๆของการปฏิบัติท่านดำเนิน มาพาดำเนินมาอย่างนี้นี่หลักของศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาขึ้นมาเพราะการปฏิบัติเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเอาเป็นเอาตายจริงๆใต้ร่มไม้คือร่มโพเห็นผลทั้งสถานที่ที่บำเพ็ญอํานวย เห็นผลทั้งวิธีการดําเนินว่าถูกต้องแน่นยำจนได้ถึงเป็นศาสตราเนี่คือได้รัดสรู้สังหารจิเดียตออกจากจิตใจหมดแล้วกลายเป็นพระผูทีเจ้าขึ้นมาแล้วจึงแนะนําวิธีการต่างๆนี้มาสอนโลกทั้งสถานที่อยู่ว่าที่เช่นไรที่เหมาะสมที่สุดนั่นพระองค์ประทับอยู่ในที่เช่นไรล่ะที่เหมาะสมที่สุดนี่ก็พระองค์เป็นผู้ยืนยันเสียงในการในการอยู่เช่นใต้ลุกขมูลคือ ร่มโพวนะิธีการปฏิบัติก็ทรงเด็ดเดียวอาถานเอาถ้าไม่ได้ดตัดสรูแล้วสถานที่ตายกับสถานที่ตัดสรูแล้วนี่เป็นสถานที่เดียวกันหากไม่เด็ดตัดสรูจะตายก็อยอมเลยไม่ยอมลุกขึ้นจากสถานที่นี้ออกอีกต่อไปแล้วหากจะถ้าไม่เด็ดตัดสรูก็ต้องตัดมีตายเท่านั้นกาปัดสรูเท่านั้นหนะักสุดท้ายก็ได้ดตัดสรูขึ้นมาเป็นยังไงถึงพูดถึงเรื่องความเด็ดเดียว ของพระพุทธเจ้าเอามาเทียบกับจิตใจของเราสิเราว่าพุทธังสนังกระฉามว่าให้เข้าแท้ให้จิตใจของเราซึมทราบเข้าถึงองค์แห่งพุท ธ, ธะทั้งความรู้ของพระองค์ทั้งวิธีการดําเนินของพระองค์ให้มแัแทรกภายในจิตใจของเราฟังไว้อย่างลึกๆสิท่านเกิดที่ไหนทัานเกิดขึ้นด้วยความเป็นอย่างนี้แหละถ้าจะเกิดขึ้นอย่างอื่นละเลอะได้ แ, ลล แ, ลแลหละทําไม่เกิด มีแต่กิเลสเท่านั้นเกิดขึ้นโดยไถ่เดียวนะนีสามครั้งแสดงคาถกที่ท่านตามพระเดชพระพุทธเจ้าธำเรียกว่าได้บรรลุธรรมถึงขั้นอารหัตมุคลท่านดาเนินกันอย่างไรท่านไม่มีงานกิจการอันใดเข้ามาเกี่ยวข้องเลยมีแต่บริขารแปดเท่านี้เป็นเครื่องจำเป็นที่จะติดตามองค์ของท่านไป สิ่งนั้นเป็นอะไรๆก็ไม่เห็นท่านแสดงไว้ในกัมภีในตหรับคำลามีทต่บริคารแเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับพระแต่าภาษาของเราทุกวันนี้ก็พระเดินทุดงกรรมฐานจะต้องไปพลุงพลังกับวัตถุสิ่งของเงินทองสเสบียงอาหารหวานข่าวเครื่องใช้ไม้สอยบริษัทบริวารได้อย่างไร ก็ผู้จะไปฆ่ากิเลสไม่ใช่ผู้จะไปสั ง, ส, งสมกิเลสผู้หาความสบายให้กิเลสนี่สิ่งอ่านี้เป็นเรื่องหาความสบายให้กิเลสทั้งนั้นแต่ทําไม่มีหวังส่วนทางเดินของพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านท่านไปอย่างเงียบเงียพระพุทธเจ้าก็เห็นไหมล่ะในตําหนักตําลาค้านจะได้ที่ไหนเวลาเสด็จออกทรงประหนดมีใครตามเสด็จพระพุทธเจ้าก็ ม, มีแต่ชันหน้าหมาดคนเดียวกับม้ากันตะกะนี้เท่านั้น จากนั้นก็อยู่ในปา่าใครจะไปสนใจกับพระศิลปษฐาราชกุมารว่าเป็นกษะศัพย์เป็นเทวบุตรเทวดาหรือเป็นอนาถามาจากไหนเขาก็เห็นว่าเป็นนักพสต์คนหนึ่งหรือนัก บ, บวชคนหนึ่งตามนัทธิของเขาที่เคยมีอยู่ประจำในสมัยนั้นๆเท่านั้นเองพระองค์ก็ไม่ทรงทนงพระองค์ ว่าเคยเป็นกษัตริย์และเป็นกษัตริย์ใหมาบําเพ็ญอย่างนี้คือกษัตริย์มาบำเพ็ญอย่านี้อย่างนี้ก็ไม่เคยติดพระไทยเลยมีแต่เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์โดยแต่เดียวด้วยความพายความเพียรที่หมายมั่นปั้นพระหัตตภาษาลาวว่าหมายมั่นปั้นมือเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายให้ถึงเหตุถึงผลถึงคลิกถึงสิงการจริงๆอย่างที่ตรงบําเพ็ญด้วยวิธีการต่างๆที่เราเห็นอยู่แล้วในประวัติของท่าน เห็นแน่ใจแล้วว่าไม่ใช่ทางจึงทรงถอยเอาให้ถึ ง, ถ, งถึงเหตุถึงผลว่าไม่ใช่ทางเป็นที่แน่ชัดแล้วถึงถอยถึงถอยหนักส่วนที่ว่าแน่ใจแล้วแน่พระไทยแล้วว่าใช่ทางท่านยกมาตั้งแต่สมัยสิบพระราชบิลาอาสเสด็จแรกนาขวานทรงเจริญอนาปานสติได้ผลเป็นที่พอพระไทยมาตั้งแต่เป็นพระราชประมานนั่นแหละทำแน่ใจว่าวิธีนี้ต้องเป็นวิธีที่ถูกต้องเนี่ย จึงได้ทรงดำเนินมานั่นนหละสัสดาแสดงพระอาการใดออกมาเรื่องเป็นพระอาการที่แทนองศาสดาหรือเป็นองศาสดาองศสา ส, สดาแสดงออกมาทั้งนั้นคือเป็นครูสอนโลกสอนโลกไปโดยลำหนับลําดาเรามายึดอย่างพระพุทธครูอย่างพระพุทธเจ้าพระอาการอย่งพระพุทธเจ้าทรงหลังสอนมาแล้วเราจะอะไรมายึดผู้ปฏิบัติต้องคํานึงเสมอในสิ่งเหล่านี้ ไม่คำหนึงอย่างนี้ฮารสิ่งที่เป็นชีวมรคลแก่เราไม่ได้กิเลสก็จะลุมลอ้อมกัดกินตัดกินปอดนั้น ม, มีเหลือคนตั้งคนตับปอดไม่มีกิเลสเอาไปกินหมดทับปอดนั่นโลกเขาถือว่าเป็นของดีของดีเป็นของสําคัญอยู่ในร่างมนุษย์นี่ความหมายเราเป็นข้อเทียบเทียงแต่กิเลสเอาไปกินแค่หมดแล้วก็เหลือตั้งแต่ไม่มีความหมายคนไม่มีความหมายพระไม่มีความหมายแล้วมีคุณค่าอะไร หัวล้นโคนชี้ใครทำมอนก็ได้ไม่เกิดประยู่์เพราะฉะนั้น mm hmm. เพื่อเป็นเครื่องประดับความเป็นสมณะของเราจึงตั้งเป็นผู้มีความภาคเพียรทุกสิ่งทุกอย่างให้แน่นหนา ม, มั่นคงแล้วผลไม่ต้องสงสัยและคำว่าสวขคตะธรรมนี้คือสายธรรมที่เป็นทางเลยและพระวิ น, นัยที่เป็นรั้วกั้นเอาไว้นั้นอยากออก นอกลูก่นอกทางภายในทางแห่งธรรมนั้นก็ให้ใช้ความพินิจพิจารณาความเพียรกวาดออกเรื่องขวามเรื่องน้ำที่กิเลสมันปักเสียบไว้ตามสายทางที่ก้าวเดินการก้าวเดินในสายทางธรรมเพื่อความหลุดพ้นต้องเยียบควาเหยียบน้ำที่กิเลปักเสียบนั้นแหละไปเสมอหรือกวา่าความกวา่าน้ำมันออกแล้วก้าวไปก้าวไป คือฝืน อ, อุปสรรคฝื้นความขัดข้องยุ่งเหยิงฝุดฝื้นทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นกลมายาคงยิ่งเสดแสดงออกมานั่นแหละเรียกว่าเราปัดออกกวาดออกมีแต่ความขยันหมั่นเพียรศรัทธานี่ยฟังแล้วต่อองค์ศาสดาฟังแล้วต่อมรรคผลนิพพานฟังแล้วอย่างลึกวิยะเพียนเพื่อศรัทธาที่เชื่อแล้วอย่างลึกนั่นสติก็เหมือนกันสติตั้งตลอดเวลา ไม่มีละเว้นเลยคําว่าสตินี่สมาธิก็หมายถึงความตั้งมั่นความแน่นหนา ม, มั่นคงของเหตุคือการดําเนินของเราไม่ให้โยโยกคลอนคลอนแล้วจะเข้าสู่ผลคือความแน่นหนา ม, มั่นคงของใจนปัญญาฟัางด้ปัญญาก็เคยได้กล่าวแล้วได้พูดแล้วนี่ให้ทําเหล่านี้เป็นเครื่องก้าวเดิน เป็นเครื่องปัดขวางนามทั้งหลายออกให้มีแต่ธรรมเหล่านี้ก้าวเดินก้าวเดินแล้วจะถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกับทางสายนี้จากนี้ไปสู่จุดนั้นผู้ไปถึงแล้วทางสายนี้ก็ยังต้องเป็นทางผู้ดําเนินตามก็จะต้องถึงจุดนั้นเหมือนกันเป็นเพียงก่อนและหลังกันเท่านั้นแต่ให้ทางนี้ลากฤชฤบิลลาสมัยผิด จุดหมายที่เคยถูกตั้งนั้นไปเป็นอื่นนั้นเป็นไปไม่ได้เช่นทางจากวัดเแ่านี้เข้าสู่หมู่บ้านต า, ากเนี่ยจะใครจะเดินก็ต้องเดินอย่างเดียวกันเข้าไปเข้าไปก็ถึงหมู่บ้านถึงหมู่บ้านอันนี้ทางแห่งธรรมนี้ก็ทางเพื่อดุพ้นไปโดยลำดับตั้งแต่ขั้นต่ําแห่งธรรมจนถึงขั้นสูงสุดหรือมุดดุพ้น์จะนอกเหนือไปจากสายทางนี้ไม่ได้เลยเพื่อนขอให้ทุกทุกท่าน ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัตินี่แหละคือเนื้อคือหนังของนักบวชของนักปฏิบัติเราได้แก่วความภาคเพียรเพื่อชำระจิตใจให้มีความสงบผ่องใสและมีความสง่า ง, งามจนกร่ทั่งถึงสว่างกระจ่างแจ่มเป็นโล ก, กับวิถูรู้ทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงไม่ติดไม่คล้องไม่คาอะไรทั้งนั้นนี่ทางสายนี้เราเป็นผู้มีโอกาสที่สุดแล้ว ในเพแ่แทงนักบวชนี้เวลาเวลาก็อยู่กับที่ที่ใจเราจะไปหาเอามือกับแจ้งมาปเป็นเวลาเวลาให้ดูขณะหรือเวลาเวลาที่เดิดมันแสดงตัวออกมาแสดงมาที่จุดไหนต้องแสดงออกมาที่ใจทั้งนั้นกรุงแยบออกแล้วก็เพิ่มแยบออกแล้วเราไม่ทันขณะมันกระเพื่อม เราไปเห็นตั้งแต่ภาพที่มันหลอกไว้แล้วเรื่องราวอะไรอะไรมันไปวาดกันแล้วมันแสดงเรื่องราวไว้แล้วเราไปไปทราบแต่นู้นไปเห็นแต่นู้นไปติดแต่นู้นไปดีใจเสียใจแต่กับเรื่องราวนู้นส่วนต้นทางที่มันออกนั่นมันออกจากอะไรจุดหมายจุด ท, ท, ที่เกิดต้นต้นแห่งเรื่องทั้งหลายนั้นมันเกิดที่ตรงไหนดีสิทัศน์ของเราไม่ทันเวลามัน วาดภาพขึ้นมาแล้ววาดเรื่องราว ข, ขึ้นมาแล้วเราถึงได้เห็นเห็นก็เห็นไปเพื่อความหลงไม่เห็นไปเพื่อความรู้นี่ถ้าสติดีแล้วเพียงกระเพื่อมภาพก็ทันกันแล้วยังไม่ได้ปรุงแต่งเรื่องอะไรเลยพอแยบก็ทราบเมื่อสติทันสิ่งเหล่านี้ต้องดับพื้นว่าดไปไม่ได้เพราะสติมีอำนาจมากยิ่งกว่าสังขารที่จะปรุงขึ้นไปอย่างนั้นสังขารนั้นท่านเรียกสังขาร ส, สมุทัยปรุงไปเพื่อให้ติด เป็นเครื่องหลอกลวงนี่เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเมื่อสติปัญญาเราก็ฟิตตัวของเราให้ดีดยลราดับลาดานแล้วทันคิดขึ้นเรื่องอะไรอะไรก็ทันที่แรกเพียงทันซะก่อนท่านมีสติปัญญาสามารถแก่ก้าแล้วไม่เพียงแต่ว่าทันยังสังหารกันด้วยได้เป็นลำดับลาดานจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือนีน่การปฏิบัติธรรม ท่านปฏิบัติกันมาอย่างนั้นัไม่ทำรุ่มรุ่มรอนๆสุ่มสี่ซุมห้าเนี่ยศาสนาเลยกลายมาเป็นเครื่องหาอยู่หากินของกิเลสไปเสียหมดเวลานี้จะทํายังไงมันน่าสล ด, ดสังเวชหนักนะาศาสนาเป็นทาเลยเป็นตลาดหากินของกิเลสนี่เป็นอย่างไงดูเอาไม่ต้องไปพูดกันมากละไม่มีเรื่องอ่านเรื่องทําที่ตรงไหน ถ้าว่ามีเรื่องอา่าเรื่องทำว่าเป็นการบูรการกุศลที่ตรงไหนก็นั้นแหละนี่ไปตีตลาดอยู่ตรงนั้นหาขีดมีตรนั้นเด่นในตรงนั้ น, น, ม น, นไม่มีอะไรเกินธรรมชาติอันนี้แหละเป็นอยู่อย่างหน้าด้านทีเดียวนี่นีห น, น, น้าสนุกสังเวชจริงๆเรื่องของวุฒิเจ้าจาิจงๆแล้วไม่มีงานอันดื่นอันใดเข้ามาเกี่ยวข้องเลยมีแต่งานชํำระที่เด็ดในเอียาบท ต, ต่างๆมีตั้งแต่เรื่องของการประกอบความภาคเพียรเพื่อชํำระที่เด็ดโดยถ่ายเดียว แม้ท่านผู้สิ้นชีวิตแล้วท่านอยู่ด้วยความเป็นนิหารธรรมในสถานที่สงบสงัดตามอัตยรยสัยของท่านซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ยุไมุ่่งอะไรกับอะไรแล้วเดินจงกรมนั่งสมาธิก็เพื่อธาตุเพื่อขันในมิหารธรรมในคิฏ ธ, ธรรมเท่านั้นคือเวลายังทรงธาตุท ร, รงขันอยู่ท่านก็ประกอบความภาคเพลิน เวลาคิดก็คิดเวลาปรุงก็ปรุงเวลาใช้การใช้งานธาขันท่านก็ใช้เวลาท่านจะระ ง, งับขันของท่านลงสู่จะเรียกว่าสมาธิธทมก็ได้อลงสู่ความสงบพักขันท่านก็พักของท่านนี่แหละที่ว่าประกอบความเพียนเวลาใช้ขันท่านก็ใช้เวลาพักขันท่านก็พักเวลาจะพิจารณาแต่กรองแง่อัดแง่ทำต่างๆลึก ต, ต, ตื้น ละเอียดหนาบางขนาดไหนท่านก็พิจารณาแต่จอมของท่านซึ่งเป็นเรื่องของความเพียนตามอาศยอาศัยของผู้ชินจิตเด่นแล้วทั้งนั้นเราไม่สิน้นเราไม่รู้เช่นอย่างว่าท่านเป็นพระอรหันต์และท่านทาความเพียนหาอะไรนี่เราก็ทั้งไม่ได้เป็นพระอรหันต์ด้วยและทั้งไม่รู้เรื่องของท่านซึ่งเป็นพระอรหันต์ดำเนินนั้นด้วยเราจะเอาอะไรมารู้ ถ้าเราอยากรู้แล้วก็ทําตัวตข อ, ง, อ ง, วงเราให้สิ้นกิเลสตามทางเดินของท่านวิธีการของท่านมีอยู่อย่างสมบูรณ์แล้วทำใจของเราให้สิ้นกิเหลสแล้วที่นี่ประกอบความภักเพียรเพื่ออะไรไม่ต้องไปถามใครแล้วรู้ในตัวเองด้วยกันทุกๆองค์บรรดาพระอรหันต์ประกอบความภักเพียรเพื่ออะไรท่านรู้ท่านเองอ๋ออย่างนี้อ๋ออย่างนี้อ ย, นอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงเดินจนกลมนั่งสมาธิภาวนาเช่นเดียวกับเราท่านทท่านทํ า, ท า, ทาเพื่ออะไร นี่ก็ไม่ต้องถามวิ่งเข้าสู่จุดเดียวกันทั้งนั้น น, ะนั่นแหละท่านพิจารณาทำควรจะพิจารณารมลึกตื้นนาะบางขนาดไหนผู้มีนิสัยหนักไปในทางใดควรพิจารณาอย่างพระกัสสปะซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับพระพุทธเจ้าพิจารณาดูความเกิดความ ยุติเคลื่อนไหวของสัตว์ทั้งหลายเกิดแล้วไปตายที่ไหนตายแล้วไปเกิดที่ไหนพี่ม่พิจารณาเรื่องจิตุกเรียกว่าจิตุปาทิยานจน ถ, ถึงกัพระพุทธเจ้าท่านมาเตือนว่ากาสปะอันนี้เป็นเรื่องของเร า, ถถาทศฐานโคตรเสมอเพื่อกาสปะผู้เป็นบุตรของเราท่านว่าในในคำทีบอกลวลาอย่งนะี้สิ่ง น, นี้เธออย่าไปคิดเธออย่าไปพิจารณาอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของ วิสัยพุทธวิสัยเป็นเรื่องของตถาคตคือพระกัสสปาท่านพิจารณาไปเรื่องคือถูกปาฏายของจัตถทั้งหลายเกิดที่ไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณพิจารณาไปกระทาให้พเพลินไปพเพลินไปนั่นน่ะพระพรุทธเจ้าสัทธรรมสั่งให้เตือนพุทธะง่ายถ้าหยุดเสียเรื่องของโลกมันเป็นมาอย่างนี้ตั้งกับตั้งการกลับไหนกันไหนแต่พระปูดภาษาของเรา จะเอาประมาณได้อย่างไรมันเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามาเป็นในขณะที่เราพิจารณาเรารู้เราเห็นนี้มันเคยเป็นอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นแล้วยังจะไปเอ็นไปอีกตลอดการสถานที่ไม่มีเลือกอันเรื่องจิตวิญญาณที่จะไปเกิดไม่ได้เวลาใดเดือนใดปีใดสถานที่ใดมันเกิดได้ทั้งนั้นเพราะอํานาจแห่งกรรมพักไสให้ไปเนี่แล้วเชื่อคืออวิชชาที่จะพาให้เกิดน้ำบังคับอยู่แล้วว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วต้องเกิด ต้องเกิดต้องเกิดมีเครื่องบังคับแล้วกรรมนีกรรมชั่วก็เป็นเครื่องผักสายสัตว์ให้ไปในที่ต่างๆเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเกิดได้ตายได้ตกนรกหมู่ไม้เป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นอะไรก็ตามเป็นได้ทั้งนั้นแล้วเคยเป็นมาตั้งเท่าไหร่กี่กลับกี่ครั้นแล้วมันไม่ใช่เป็นเฉพาะปัจจุบันนี้แล้วยังจะเป็นต่อไปอีกข้างหน้าเช่นเดียวกับที่ผ่านมาแล้วยืดนานเพียงไร ที่จะเป็นไปข้างหน้าก็ยืดนานแานนั่นเหมือนกันหาประมาณไม่ได้ก็คือเรื่องเกิดตายของสัตว์ถ้ามาย่วนวัตตะเข้ามาด้วยการชำระกกิเลสสางกิเลสอันเป็นตัวสําคัญให้พาภพชาติยืดยาวีย่นเข้ามาย่นเข้าม า, า, มาด้วยความภาคเพียรด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลย่ น, ยนเข้ามาจนถึงขัน้นคิดตัดภาวนาตัดเข้ามาตัดเข้ามาดังพระสาวกท่านดําเนินนันะ ท่านประกอบความเพียรนั่นแหละคือท่านตัดวัฏฏะยื่อนเข้ามาจนถึงกขั้นอรหัตบุคคลเมื่อบรรลุถึงขั้นอรหัตบุคคลแล้วเป็นอันว่าสิ้นแล้วซากของกเด็ไม่มีเหลือที่จะพาให้ไปเกิดในภพชาติใดๆอีกแล้วนั่นท่านตัดขาดตัดขาดจากนั้นเองให้เห็นในหัวใจของเราเราก็เป็นคนคนหนึ่ ง, งทรงธรรมของมือเจ้าธรรมของมือเจ้าก็ไม่ลําเอียงด้วยเป็นส่วนขาธรรมด้วยตราไว่ชอบแล้ว ขอให้พยายามดำเนินตามทำรรที่ชอบนั้นเถิดจิตใจของเราคอบวัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างก็จะชอบไปตามเมื่อมีตั้งแต่สิ่งที่ชอบที่ดีบวกกันเข้าแล้วทําไมจะไม่ดีถึงจน ถ, ถึงขั้นดีเลอร์ได้หรอต้องดีได้ดีเลอร์ได้ไม่สงสัยขอให้กล้าเข้าไปนี่อย่างที่ท่านว่าพระอรหันต์พระอ ร, ระหันต์เป็นยังไงเราก็ไม่ทราบเนี่ยความรู้ของประธานท่านเป็นความรู้เช่นใดเราก็ไม่ทราบเราจะทราบได้ยังไงก็ ความรู้อันนี้มันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสออกตลาดตะเลยหุ้มห่อไปหมดกระดิกอะไรมีแต่เรื่องของกิเลสภาพของกิเลสทั้ทงนั้นอันว่าจะได้ยินได้หูด้วยดูด้วยตาได้คิดทางจิตทางใจมีตั้งแต่เรื่องอารมณ์ของกิเลสหุ้มหอ่อเคลือบแฝงหรือห้อมล้อมไปหมดอารมณ์ของที่เป็นอัตเป็นธรรมนั้นเป็นยังไงเราก็ไม่ทราบี่จะทราบได้ตามกําลังของเราเช่น เป็นจิตเป็นสมาธิอารมณ์ของธรรมก็เราจะทราบได้ในขั้นสงบเนี่ยสงบขั้นใดขั้นใดเราก็ทราบไปในขั้นสงบนี่พอจะทราบได้ว่าอารมณ์ของธรรมเป็นอย่างไรจิตที่มีความรู้แฝงธรรมเป็นอย่างไรถ้าไม่มีความสงบภายในจิตใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมเข้าแทรกบ้างหรือนั้นอย่างไรก็ร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันเป็นกิเลสทั้งหมดความรู้นั้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเราจะห า, าตัวจริงอะไรจาก ความรู้ที่เป็นเยเดดได้แล้วเท่าไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นนี่ความรู้ของเร า, เราท่านท่า น, ท, านที่เป็นปุถุชนเป็นอย่างนี้ทีนี้ความรู้พระอรหันต์ท่านเป็นยังไงก็ท่านผ่านไปหมดจะไ ม, ไม่ว่าความยุ่งเหยิงวุ่นวายอันเป็นเรื่องของเยเดดที่หนานแน่นแจ่นฉลาดที่สุดนี่ขนาดไหนก็ตามท่านก็ผ่านไปแล้วสังหารไปหมดแล้วไม่มีซากเหลืออยู่ภายใน จ, จิตใจแล้วนั่นั็คือ ด้วยสมาธิด้วยปัญญาจนถึงขั้นมิมุติพ้นแล้วทีนี้จิตของท่านเป็นยังไงจิตของท่านจะมีอะไรไปเตื่องปนนั่นแหละท่านบาวิเศษวิเศษตรงนั้นจิตของเราเนี่มันเกื่องปนอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาไม่มีเวลาไหนที่กิเลสจะไม่ได้ทํางานที่กิเลสจะไม่ได้ปิดหูปิดตาคือใจดวงนั้นน่ะนั่นปิดอยู่ตลอดแล้วมันจะไปเห็นความสัตย์ความจริงย่างไงนอกจากมันปิดหูปิดตาแล้วมันยังฉุดยังลากไปสู่ อำนาจทังมันชาติโลกทั้งหลายจึงได้รับแต่ความทุกข์ความทุกข์กันก็เพราะเหตุแห่งความปิดหูปิดตาของกิเลสนั่นแหละปิดได้แล้วก็ฉุดลากเอาไปเราก็เชื่อไปทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเราไม่มีความฉลาดเนื้อมันมันฉลาดกว่าเรามันก็ลากไปลากไปเนี่ยเมื่อปฏิบัติธรรมทำมีความฉลาดมากน้อยเพียงไงก็เห็นเนื้องอนกลมายาของกิเลสเลื่อยไปนล้แก้ไขดัดแปลงหรือสังหารกันไปเรื่อยเรื่อย ตั้งแต่ส ม, มาธิไล่ทิเดชเข้ามาตล่อมสู่จุดปัญญาคขี่คายมาฟัดมาตีมาทำลายแหลกไปแหลกไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือด้วยอำนาจของปัญญาถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วมันมีอะไรที่จะเหลือหลักพิเดช จ, จะมีอยู่สักเท่าไหร่ก็เถอะเหมือนกันแต่มันไม่มีสักเท่าไร่ถ้าลงถึงขั้นมหาวิจิตรมหาปัญญาแล้วมันจะมีแต่จอมกรรษมัตริย์วัตจิกิตติเดียวคือวิชาที่แทกอยู่นั้นเท่านั้นนอกนั้นตัดเข้ามาหมดแล้วมีอะไรเหลือ ไม่มีเลยแล้วก็ไม่กี่เวลามหาที่มหาปัญญานี่ก็สังหารกันลงได้ทีนี้พออวิชาปัญญาสร้างคาราซึ่งเป็นตัวกษัตริย์วัตจักรที่อัฉราดแล้มคมและละเอียดที่สุดนั้นพังลงไปเท่านั้นอะไรที่นี่ที่เหนือจากนั้นวิเศษวิ่สยิ่งกว่านั้นเอามาเทียบที่สามดือนโลกธาตุนี่จะมีอะไรเหมือนธรรมชาตินั้นนั่นแหละที่ท่านไม่ติดท่านไม่คล้อง คือไม่มีอะไรเหมือนที่จะให้ติดไม่มีอะไรที่มีคุณค่ายิ่งกว่าคำเหนือแล้วเหนือแล้วท่านเที่ยวโลกธรรมโลกธรรมคือไม่มีอะไรเหมือนเลยถ้าพูดแบบที่ว่าเหนือก็เหนือหมดแล้วจะจะจะย่อนตัวลงมาจะก้าวตัวลงมาหาสุนนีินอัยก็เหมือนกันกันกบโูดคูดที่มันจมอยู่ในช่วงในฐานนั่นเองมันก็มีแต่พวกจับพวกหนอนต่างๆที่มันเต็มไปหมดในช่วงในฐานนี่ คนที่มีสมบัติผู้ดีหลือใครก็รู้อยู่แล้วจะไปยุ่งกับมันอะไรนี่เรื่องของจิตทังท่านถึงขั้นพระราษฎรแล้วถ้าจะเทียบมันก็เทียบได้อย่างนั้นแต่ท่านไม่เทียบเมื่อถึงขั้นนั้นมันเป็นขั้นที่พอตัวที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่จะไปพูดไปแยกไปแยะให้เป็นความบกพร่องให้เป็นความเพิ่มพูนสมบูรณ์เพราะถ้าพูดถึงเรื่องความสมบูรณ์ก็เต็มที่แล้วถ้าพูดถึงความรู้ก็ล้วนลวนแล้วนั่นนั่นแหละความรู้ของผู้สิ่นยศเป็นความรู้ล้วนลว น, ลวนอย่างนั้น ไม่เข้ามาเกี่ยวนกับโลกอันใดกับสมุติอันใดทั้งสามแดนโลกธาตุซึ่งเคยครุขเข้ากันครุขเข้ากันมานานเท่าไหร่กับกิจวงนี้คาดจะปั้นไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นนั่นแหะความรู้ของท่านแม้ทรงธาตทรงขันยูกาตามขันก็เป็นขันธาตุเป็นธาตุท่านก็รู้อยู่เป็นของใครของเราบังคับให้เข้าถ้าเข้ากันก็บังคับไม่ได้เพราะเป็นอัถานะาแล้วระหว่างวิมุตติกิจกับสมุตินั้นต่างกันอย่างนั้น ท่านนีงใครล่ะรู้แบบของท่านอย่างเนี้ยใครจะรู้พอมีแต่ให้จีเดียดมันก่อ ม, มีตลอเวลาอันนั้นดีอันนี้ดีสุดท้ายมันก็ไปตำหนิด้วยสิ่งที่มันไม่เคยเห็นคือทำมันเหนือโลกคือโลกุตลรธรรมโลกุตละจิตมันไม่เคยเห็นมันก็ไปอาจเอื้อมได้เรื่องของจีเดียดนี้มันถอยเมื่อไหร่ตัวโอตัวอวดที่สุดตัวยิ่งตัวว่าดีว่าดีที่สุดก็คือเจเดียดไม่เห็นนี่พนนันดีมาดีมันก็หลอกอยู่ว่านี่พานไม่มีเพราะมันไม่เห็นฟังสิ และอะไรเยี่ยมยิ่งกว่าเรื่องของกิเลสมีตั้งแต่สิ่งที่ดีที่งานั้ะนั้นทุกกิเลสได้ปรุงขึ้นมาแล้วเป็นติดเป็นติดเป็นติดเราฟังทีพี่นายสิสิ่งเหานี้เราเคยเป็นเคยติดมามากกว่ามา ก, มากนานแสนนานแล้วตั้งกับไหนกันไหนเราเราติดเราช้างได้ที่ตรงไหนเราเขียบเราหลับที่ตรงไหนถ้าว่าเ็คของกิเลสไม่เก่งอ่ะมาเทียบสิโ น, น่นจนกว่าว่าเราได้ อาจได้ทำขึ้นมาเช่นอย่างความฟุ้งซ่านวุ่นวายของเราที่เป็นอยู่ภายในจิตใจขอเราเนี่เป็นมาอะไรจนกระทั่งเป็นบ้าก็มีคนแต่ว่าแต่จวนเป็นบ้าหรือเกิดเป็นบ้านอนไม่หลับเป็นบ้าก็มีเรารู้ตัวเมื่อไหร่นั่นเรารู้ว่าอะไรเรารู้ไหมว่าอะไรเป็นเครื่องทําให้เป็นทุกขนาดนั้นฟังสิไม่รู้ต่อเมื่อได้ทําคือความสงบใจในเกิจิตสงบเข้าไปนี้เริ่มเห็นได้นี่ยเนี่ยอ๋อความฟุ้งซ่านเป็นอย่างนั้นเมื่อมันไม่ฟุ้งซ่านแล้ว ความหน้าของของสมาธิหรือของของสมาธาธรรมสงบอย่างนี้เทียบกันปั๊บได้เลยความพุ้งซ่านเป็นโทษที่ร้ายแรงที่สุดความสงบเป็นคุณค่าที่พึงปรารถนาที่สุดแล้วระหว่างทำทระหว่างสิ่งทั้งสองนี้เอามาเทียบกันแล้วนั่นเทียบกันไม่ได้เลยผิดกันอย่างนั้นนั่นเมื่อมีสิ่งเทียบเทียงเมื่อมีสองแล้วมันก็มีสิ่งที่จะต้องวัดต้องตวงกันเทียบเทียงกั น, กนคู่แข่งกันจนถึงขั้นปัญญา เมื S <S <an> ่อถึงขั้นปัญญาที่ควรจะเห็นกลมายาเล่กลมของกิเลสประเภทใดประเภทใดปิดไม่อยู่ไม่เคยรู้มากี่กับกี่การก็ตามเถิด <S an> เมื่อสติปัญญาขึ้นแล้วจะคือถ้าพอสติปัญญาเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเพื่อจะเห็นในสิ่งที่ควรเห็นในสิ่งที่ควรรู้กิเลสเป็นสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นแท้ๆทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่รู้เป็นสิ่งที่ควรละแท้ๆทำไมจะไม่ไม่ไมละไม่ปล่อยไม่วางเมื่อเห็นว่าเป็นโทนแล้วยึดไว้ได้อย่างไรก็ต้องสลัดปั้วเดียวเท่านั้นเอง มันก็ตั้งขาดพังทลายไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วทําไมจะไม่เห็นเรื่องของกิเลสเต็มถวารเอร์ซ็นมื่นเปอร์เซ็ก็เต็มหมื่นเ็นต์นีหมายมีอะรเห็นหมดเพราะได้ได้สังหารมันเรียบพุทไปหมดจากใจแล้วที่นี่ใจให้มีกิเลสเป็นอย่างไรบ้างที่นี่อา้นาวนั่นความรู้ที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยความรู้ที่มีกิเลสเราเคยทรงมาพอแล้วทีนี้ความรู้รที่สิ้นกิเลสแล้วเป็นยังไงเมื่อไม่ได้ปรากฏขึ้นในหัวใจดวงที่เคยเป็น ส่วนเป็นฐานของเสด็จมาประจำนี้แล้วแล้วสิ่งเหล่านั้นหมดมาจากกิตใจเหลือแต่ทำทั้งแท่งอยู่ภายในกิตใจแล้วเป็นอย่างไร น, น, นี่ค่ะที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงพระทัยหายสอนโลกเพราะท่านเมตตาสงสารขนาดนั้นเห็นโทษถึงขนาดนั้นทีเดียวเห็นคุณกับโทษนี้มีน้ำหนักเท่ากันการสั่งสอนโลกจริงสั่งสอนด้วยพระเมตตาเต็มพระทัยจริงๆไม่ใค่สักแต่ว่าสอนไปธรรมดาธรรมดา เรื่องความเป็นโทษของสารมันเป็นจริงๆสัตว์ไม่รู้ท่านก็รู้สัารไม่เห็นท่า น, นก็เห็นไม่รู้ทางออกวิ่งไปวุ่นมากันอยู่อย่างนั้นหาทางออกไม่ได้ก็เปิดประตูให้ผู้ที่ควรจะออกได้ก็ออกเอาผู้ที่ถูกไฟเผาไปก็มันสุูญสายตายแต่แล้วกว็ตายผู้ที่ยังพอที่จะตะเกียก ต, ตะกายออกมาได้ก็เปิดประตูให้นไฟไหไไม้บ้านไหม้เรือนไหม้ผู้ไหม้คนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนี่ละเรื่องของกิเลสกัรหาอาสวะมันไม่สัตว์โลกเป็นอย่างนั้นเอง ผู้ที่ควรจะไปได้พระองค์ก็พอเปิดทางเท่านั้นก็ไปได้ไปได้ไปได้ในประเภทของพปกอตุติกันอยู่วิปปิกันอยู่เป็นพวกที่อยู่ในระดับที่จะออกอยู่แล้วออกอยู่แล้วก็ออกได้ผู้ที่ค่อยเนยยาผู้ที่ค่อยเป็นค่อยไปก็ค่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปอ ย, ไปอย่างนั้นนีนะ่ท่านสอนโลกท่านสอนอย่างนั้นถ้าไม่ได้สอนอเฉยๆพูดธรมดธรมดาธรรมดาเพราะท่านไมไ่รู้ธรรมดา รู้ถึงเหตุถึงผลรู้ถึงจนถึงวัฏฏายเพราะว่าโลกธาตุบั่นหมายก็ได้ในขณะที่พระพุทธเจ้าจาสรู้จะผิดอะไรไปทำสารเดรัจกะธาตุนี้จะไม่หวั่นยังไงจิต ด, ดวงนี้กระเทือนกับสารเดรัจฉธาตุนี้มานานเท่าไหร่แล้ไม่จะไม่บั่นทําไมไม่กระเทือนถ้าจะพูดถึงเรื่องพระไทยที่ขาดสะบั้นกันระหว่างที่เด็กกับจิตที่บริสุทธิ์นี้ขาดสะบั้นจากกันทําไมจะไม่กระเทือนกระเทือนไปอย่างไม่เคยคาดเคยฝันนี่แหละ ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยทีนี้เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วเป็นยังไงกับสิ่งทั้งหลายที่กับจิตที่เด็กข้าวข้าวกับสิ่งทั้งหลายอยู่ผิดกันยังไงไม่ต้องถามท่านก็รู้เองนั่นแหละความรู้ความรู้ของกิตที่บริสุทธิ์หรือความรู้ของพระหันกับความรู้ของเรามันต่างกันยังไงแต่เราไม่ได้เป็นบระหารันนเลยพูดเท่าไหร่มันก็ไม่รู้เรื่องรู้ราว นี่เรื่องของธรรมเป็นอย่างนะั้นเทีท่านประกอบความภาคเพียรประกอบเพื่ออะไรแล้วถามท่านอะไรมันก็รู้เองระหว่างขันธ์กับปิตมันมีความจําเป็นต่อตอนเองอยู่แล้วจิตเป็นนักรู้ถึงขั้นปรหาชญ์แล้วทําไมถึงจะไม่รู้อย่างรอบครอบขอบคิดในระหว่างขันธ์กระปิดที่จะปฏิบัติต่อกันเล่ามันทั้งรู้แน่เนี่ยเรื่องบอกวิญญาณชัดๆแล้วไปจะไปถามทําไมถามผู้อื่นไม่ถามมันมีหมื่นมีแสนก็เหมือนกันหมดเป็นสันติโก ในระหว่างคันกับกิจที่จะปฏิบัติต่อกันอย่างไรจนกระทั่งถึงการเวลาที่จะพลากจากกันโดยสิ้นเชิงได้จะตายคุณยังไงท่านเป็นอย่างนั้นทําเหล่านี้เป็นยังไงกระเทือนหัวใจของพวกเราทั้งหลายผู้ปฏิบัติหรือไม่หรือให้ขีดเด็ดมั น, ค, นคืนเอาคืนเอาตลอดเวลานเอวบททั้งสี่มถึกเรื่องขีดเด็ดคืนนะถ้าอขีดเด็ดมีท้องเนะี่ยมันท้องระเบิดดังยิ่งกว่าเสียงปรมาณูเขานะ่ะ พอมันกินถ้ามากกับมากกินไม่มีท้องจะใส่แล้วท้องระเบิดมันกินตับกินไส้กินผงของภาคมธ า, านเราเนีย่ยนี่คือความขี้เกียจขี้ค้านกับคืนเน่าเสีย อ, อะไรก็มีแต่มันคืนเนาเสียสติตะทางหาไม่ได้พอที่จะต่อสู้ันบ้างไม่มีเลยทายังไงบวชเป็นพระเป็นเนรถ่าบวชเฉย ฟังให้ดีนะเรื่องความละเอียดย้ำคงของกิเลสถึงขนาดนั้นเ้อะแต่เมื่อถึงการที่จะรู้จะเห็นจะฟัดจะเหวี่ยงจะแก้จะถอดจะถอนจะสังหารกันแล้วยังไงก็ปิดไมอ่อยู่เหมือนกันเราไม่น่ากิเลสจะเรียกขนาดไหนก็เถอะไม่มีเหนืออะไรเหนือทําได้เลยเพราะฉะนั้นทำํำในที่เดียว่าโลกจะทําจึงว่าเป็นจึงเหนือกิเลสนั่นเองโลกกับโลกของผู้มีกิเลสไม่มีกิเลสมาเกิดเป็นโลกได้ไง พวกสัตว์พวกบุคคลสัตว์ต่างๆประเภทต่างๆมันมีมากขนาดไหนในโลกกว่า น, นี้ที่เรียกว่าสัตว์โลกสัตว์โลกนั้นทำไม่เหนือนี้จะเห็นเกี่ยวนี้ได้ยังไงเนเอาให้มันชัดอย่างนั้นเอเลยพอสมควรนนะการสาแสดงแค่นี้